สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะไม่ว่าสัตว์หรือพืชเนี่ยมันจะมีสัญชาติญาณประจำตัวสองอย่างหลักๆนะหนึ่งสัญชาติญาณเอาตัวรอดสอสัญชาติญาณแพร่พันธุ์หรือขยายพันธุ์และจะเรียกว่าทุกชีวิตก็ได้นะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันก็มีวิธีการมากมายที่น่าทึ่งนะในการที่จะแพร่พันธุ์หรือขยายพันธุ์แม่ดูเหมือนว่ามันเป็น สิ่งที่ไม่มีสมองแต่มันฉลาดนะบางทีมนุษย์เราก็เพิ่งรู้วิธีหรืออุบายของสิ่งมีชีวตเหล่านี้นะอย่างเช่นไวรัสเนี่ยที่ทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกหรือว่าซิกกาเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของใครเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการแพร่พันธุ์นะมันทำยังไงนะ นันก็ทำให้ร่างของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยเนี่ยส่งกลิ่นออกมาจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีเนี่ยมันจะมีการส่งกลิ่นออกมาแล้วก็ดึงดูดให้ยุงเนี่ยนะเข้ามาเกาะแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดเพื่ออะไรนะดูดเลือดเพื่อที่จะดูดเอาไวรัสพวกนี้ติดไปด้วยนะ แล้วมันก็ไปออกลูกออกหลานในร่างของคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นต่อไปนะเวลายุงไปกัดมันก็ไปเชื้อไวรัสพวกนี้เนะข้าไปในร่างของสัตว์ที่มันกัดนะหรือดูดเลือดเนี่ยนี่ก็เพิ่งรู้นะว่าไอไวรัสพวกนี้นี่มันมีวิธีการที่จะขยายพันธุ์นะแบบที่เรานึกไม่ถึงนะ ดึงดูดให้ส่งกลิ่นเพื่อดึงดูดให้ยุงนี่มาดูดเลือดแล้วก็กลายเป็นพาหะเหผยแพร่ไวรัสเหล่านี้ไปเรื่อยๆฉะนันคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกหรือว่าซิ ก, กาเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนคนทั่วไปแต่เจ้าตัวไม่รู้หรอกนะแต่ว่าลุงเอายุงมันจะรู้นะแล้วมันก็ตรงไปที่ ร่างของคนคนนั้นหรือสัตว์นั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเชื้อไวรัสนะพวกเชื้อรานี่ก็เหมือนกันนะมีเชื้อราางชนนี่มันมันชอบเกาะกินมแมลงนะเวลามันไปเกาะติดมแมลงวันตัวไหนเนี่ยมันจะงอกนะเส้นใหญ่คล้ายๆท่อนะทะลุร่างของ มแมลงวันนั้นเลยเป็นหลอดดูดนะหลอดดูดอาหารหรือว่าเลือดแร่ธาตุในมแมลงวันนั้นเนี่ยจนมันตายเลยนะแต่ก่อนจะตายนะัมันจะงอกร่างเนี่ยทะลุร่างของมแมลงวันนั้นทะลุลำตัวของมแมลงวันเพื่อที่จะปล่อยสปอร์นะปล่อยสปอร์ สปอนี้ก็เป็นตัวแพร่เชื้อราเพอเชื้อราเนี่มันแพร่พันธุ์โดยผ่านสปอแต่มันไม่ได้ทําแค่นี้นะก่อนแมลงวันจะตายเนี่ยมันจะบังคับให้แมลงวันเนี่ยบินนะขึ้นฟ้านะแล้วก็กระพือปีกเพื่ออะไรนะเพื่อให้สปอเนี่ยมันกระจายไปได้ไกลนะเพราะถ้าแมลงวันเนี่ย กะอยู่บนพื้นห ร, หรืออยู่ที่กิ่งไม้เนี่ยสปอมันจะกระจายไม่ไกลมันก็ต้องทำให้มแมลงวันเนี่ยบินขึ้นสูงสูงนะแล้วก็กระพือปีกด้วยนะไอ้แมลงมันก็ต้องยอมทำตามนะเพราะว่ามันถูกบังคับด้วยเชื้อราเนี่ยซึ่งเล็กมากนะสปอ์ของรามก็แพร่กระจายไปเกาะไปติดมแมลงวันตัวอื่นแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อย เชื้อรานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปรสิตนะปรสิตเนี่ยคือสัตว์หรือพืชที่เกอกินสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่พวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการเอาตัวรอดแล้วก็การแพร่พันธุ์สูงมากนะมันฉลาดจริงๆนะอย่างมีพยาธิชนิดหนึ่งนะชื่อพยาธิขนมาเนี่ยมันก็เกอกกินร่างกายของจิ้งหรีดนะ มันก็ดูดอาหารของจิ้งหรีแต่พอมันโตเต็มที่แล้วมันจะได้เวลาผสมพันธุ์นะมันเนี่ยจะต้องผสมพันธุ์ในน้ำจะต้องหาคู่ในน้ำแล้วก็ผสมพันธุ์ในน้ำมันทำยังไงนะมันก็บังคับให้จิ้งหรีเนี่ยกระโจนลงน้ำเลยนะจิ้งหรีปกติมันกลัวน้ำนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่กลัวน้าแล้วเพราะว่ามันอยู่ในอำนาจของพญาขนมานะ พญาขนมาทำไงก็ไม่รู้นะบังคับให้จิ้งหรีเนี่ยกระโจลลงน้ำเพื่อที่พญาขนมาเนี่ยจะได้ไปหาคู่แล้วก็ผสมพันธุ์แต่การที่มันกระโจลลงน้ำนี่ก็ทาให้กลายเป็นอาหารนะของปลาไม่ทันตายเพราะจมน้ำาตายเพราะเป็นนาำของปลาอันนี้ก็คล้ายๆกับปรสิตบางชนิดนะในในหนูนะ หนูเนี่ยปกติมันจะกลัวฉี่ของแมวนะแต่ว่าหนูที่โดนปรสิตบางชนิดเนี่ยฝังตัวอยู่เนี่ยนะมันจะไม่กลัวฉี่แมวนะเพราะว่ามันถูกถูกบังคับนะให้สมองเนี่ยเกิดอาการวิปผลิตเพียนขึ้นมาไม่กลัวฉี่แมวแล้วก็ไม่กลัวแมวด้วยเดินเพ่นพ่านสุดท้ายก็เดินเข้าหาแมวแมวก็กินเลยนะ ทำไมปรสิตมันทําอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะแพร่พันธุ์ได้และขยายพันธุ์ได้มันต้องทําในกระเพาะของแมวเพราะนั้นมันก็ต้องพยายามล่อให้หนูเนี่ยไม่กลัวแมวล่อให้หนูกลายเป็นอาหารของแมวเพื่อมันจะได้ไปเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ในกระเพาะของแมวเสร็จแล้วมันก็จะออกมานะสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะเติบโตออกมายังไงนะ เวลาแมวเนี่ยขี้เนี่ยมันก็ออกมาด้วยกับขี้เนี่ยแล้วหนูเนี่ยก็กินขี้ของแมวพอหนูกินขี้ของแมวปรสิตก็เข้าไปในตัวหนูนะแล้วก็เริ่มวงจรเดิมคือว่าบังเข้ให้หนูเนี่ยไปเป็นเหยื่อของแมวเพื่อที่ปรสิตมันจะได้อ่ไปแพร่พันธุ์ออกลูกออกไข่นะแล้วก็ระบายออกมาทางขี้ของแมวเนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่อยไป พวกมันฉลาดนะประสิตพวกนี้นี่มันสามารถที่จะบังคับให้มันไม่ใช่แค่กินอาหารหรือกอกินร่างของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยแต่มันสามารถบังคับให้ช่วยมันแพร่พันธุ์ด้วยอันนี้เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่น่าทึ่งมากนะซึ่งจะว่าไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงปรสิตเนี่ยเราก็นึกว่าเราก็มักจะมองว่ามันเป็นโทษนะ เอาเปรียบนะชีวิตอื่นแต่จริงก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นจิงเล่เนี่ยพอมันโดนปรสิตบังคับให้โจลลงน้าเนี่ยมันก็กลายเป็นอาหารของปลาโดยเพราะปลาเท้านะปลานี่ก็เติบโตได้เพราะจิงหล่เนี่ที่กระโจลลงไป ด, นนด้วยความมื่นมลด้วยความมื่นงงนะไอปลานี่ก็กลายเป็นอาหารของชีวิตอื่นต่อไปนะหลบทั้งคนด้วยคนได้กินปลาก็เพราะ ปลามันได้กินจิงหรีที่ปรสิตพวกนี้เนี่ยหลอกให้กระโจ์ลงไปในน้ำแมวก็เป็นการนนะ้ำแมวกอ็อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีหนูนะมาเป็นเหยื่ออยู่เรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเนี่ยปรสิตพวกนีน้ที่เรามองว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะในการช่วยทำให้เกิดสมดุลในธรรมชาติ หรือว่าเกิดการหมุนเวียนของธรรมชาติในทางที่เป็นประโยชน์นะจริงๆแม้กระทั่งปรสิตในคนเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่ามันอาจจะมีประโยชน์อย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะประสิตในคนเราเนี่ยที่เรารู้จักดีคือพยาธินะพูดถึงพยาธิเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องกําจัดมันออกไปนะเพราะว่ามันทําให้ มันคอยดูดเลือดคอยดูดอาหารของคนทำให้ร่างกายผายผอมแต่เขาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าพยาธิบางอย่างก็มีประโยชน์นะอย่างก็เราะบ ว, ว, ว, นะ ว, ว่าคนที่เป็นโรคแพ้โรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยมีคนเดี๋ยวนี้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเาพบว่าคนที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นคนที่ไม่มี parasit ในกระเาพาะไม่มีพยาธิบางอย่างในกระเาพาะ แต่ถ้าคนที่มีพยาธิบางอย่างในกระเพาะเนี่ยนะมักจะไม่เป็นโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราถ่ายพยากันเยอะมากนะก็เลยพยาธิไม่ค่อยเหลือแล้วในกระเพาะมันก็เลยมีคนที่เป็นโรคนี้เยอะเลยเช่นอย่ากัโรคพยาธิลำไส้อักเสบเรื้อยลังเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้จํานวนมากเนี่ยเพราะว่ามันขาดพยาธิบางชนิดไปนะก็เรียกพยาธิลำไส้นะคะที่คนที่มีพยาธิลำไส้เนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อยลังเพราะนั้นเนี่ย วิธีรักษาโรลคลำไส้อัเสบนะบางวิธีนะคือการส่งถ่ายพยาธิลำไส้เข้าไปในร่างของผู้ป่วยนะพอปลูกถ่ายพยาธิลำไส้เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยมันหายนะวันนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องแพรนะ่ด้วว่าพวกปรสิตพวกนี้เนี่ยซึ่งเรามาักจะมองว่าเป็นพวกที่เอาเปรียบเป็นกาฝากเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยทุกชนิดเลยนะแม้กระทั่งปรสิตเนี่ยที่เอาเปรียบจริงๆมันก็ทำประโยชน์ทำคุณให้เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักออมองภาพกว้างหรือว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยดีพออันนี้ก็เป็น เ, เกร็ดนะที่ ช่วยทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี่มันมีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือว่าเห็นหรือไม่